เธอเป็นเสมือนหลังมารดาของฉันตลอดจนการลบล้างการเชื่อถืออย่างข้ามคืึและลาหลังของสังคมยาฮิยาซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้นหัวข้อใหญ่ๆของบทนี้อาจจะสรุปได้ดังนี้ข้อชี้แนะต่างๆและมัญยาดในิสลามกฎระเบียบการปกครองและการตราพระบัญญตัติการกล่าวถึงเรื่องของสงครามอลัลอซาบ และเผ่ากุรอยซอเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวถึงมัญญาดทางสังคมเช่นมัญญาดการรับเชิญไปกินเลี้ยงมัญญาดการปกปิดร่างกายของสตรีและหญิงในการแต่งตัวของสตรีมัญญาดการปฏิบัติและการยกย่องให้เกียรติแก่ท่ารอซูลลอสซาลลอห์ฮุยไลวะสลัมตลอดจนมัญญาดอื่นๆที่เกี่ยวกับสังคมเรื่องที่สองได้กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบัติบางประการเช่นบัญญัติเกี่ยวกับการกล่าว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 ที่เรียกกันว่าสงครามอัลอาซับและได้วาดเข้าโครงให้เห็นภาพลักษณ์อย่างละเอียดถึงการรวมหัวกันของพวกที่ฝ่าฝืนและพลังแห่งความชั่วเพื่อต่อต้านบรรดามุมินผู้ศรัทธาโดยเปิดโปงสิ่งซ่อนเร้นของพวกกลับกรอบและได้เตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชั่วช้า บทนี้ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งในตอนเริ่มและตอนจบและได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาในการโต้อตอบเล่ห์เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามด้วยการส่งมาลิก้าและลมพายุมานอกจากนั้นยังกล่าวถึงสงครามเผ่ากรอยโซและการที่พวกยาฮูด บิดพรีวสัญญาที่มีต่อทา ร, รุสุลลาะสุล ล, ะลาะฮุไลบัสลับบลอัลอาฮ์ซบถูกเรียกชื่อนี้เพราะว่าพวกบูชาจเจวตได้รวมกันเป็นสมัครพรรคพวกเพื่อต่อต้านบรรดามุสลิมในทุกๆด้านพวกปฏิเสธมักกะได้ร่วมกับตระกูลคอดฟานเผารูดอซและพวกอันธพาลอาหรับเพื่อทำสงครามกับบรรดามุสลิม แต่ถ้าว่าอาลัลลอส์ทรงตอบโต้พวกเหล่านั้นให้ประสบกับความปราชัยในการทำสงครามครั้งนี้เป็นการพอเพียงกับบรรดาผู้ศรัธทธาที่ได้เห็นสิ่งปาฏิหาริย์อย่างชัดเจนด้วยพระนามของลอทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ อย่าเอ๋ยเหวินเบียดเัรงหลักและอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีคือพวกกลับกรอกถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าถ้าจริงอัอนั้นสรงรอบรู้ในสิน่งที่พวกเจ้ากระทำและเจา้าจงมอบความไว้าวางใจแด่ล l l a h และพอเพียงแล้วที่อัลล์เป็นผู้ครุ่มครองม่จ๊าลัลลอฮ์ลิรจุลิมินัลเบญิฟีโจฟิห و م ا ج َ ع َ ل أ ز و َ ا ج َ ك ُ م ا ل ل ا ئ ِ ت ُ ظ َ ا ه ِ ر ُ ن َ م ِ ن ه ُ ن أ ُ م م ه ا ت ِ ك ُ م ْ و م ا ج َ ع ل َ أ َ د ع ي ا ء ك ُ م ْ أ َ ب ن ا ء ك م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 ของพวกเจ้านั่นคือการกล่าวของพวกเจ้าด้วยปากของพวกเจ้าเองและล้อ น, นั้นจะส่งพูดตรงกับข้อเท็จจริงและพระองค์จะส่งชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องออดดหววินลาามี จงเรียกเขาเหล่านั้นตามชื่อพ่อของพวกเขามันเป็นการเที่ยงธรรมกว่าณนะที่เอาอหลอหากพวกเจ้าไม่รู้จักพ่อจริงๆของพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็คือพี่น้องร่วมในาศาสนาของพวกเจ้า และผู้ใกล้ชิดของพวกเจ้าและไม่เป็นที่น่าตำหนีแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าผิดพลาดในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่จิตใจของพวกเจ้ามีความมุ่งหมายต่างหากและปรากฏว่าอาลัลลอเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮมเปินผู้ทรอภัยผู้ทรงเมตตาเุม وَأُولُو الْأَضْحَامِ بَعْضُهُمْ أ َ و ل َ ا ب ِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أ َ و ْ ل ِ ي أَيْقُم م َ ع ْ ر ُ و ف ا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ لَسْتُوراً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 บันทึกไว้แล้วในคีะจงรำลึกถึงเมื่อเราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานาบีและจากเจ้ามุฮัมมัด และจากนัวและอิบรอฮีมและมูซาและอีซาอิบนุมัรย์และเราได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขาเพื่อพรงจะทรงสอบถามบรรดาผู้สัต์จริงเกี่ยวกับความสัต์จริงของพวกเขา และรองทรงเตรียมการลงโทษ อ, อันเจ็บปวดไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา โอบันดาพู้ศทธาทั้งหลายจงดำลึกถึงความโปรดปรานของลอที่มีแต่พวกเจ้าขณะที่กองทัพข้าศึกเข้ามารุกรานพวกเจ้าแล้วเราได้สรงลมพายุพัดใส่พวกเขาและกำลังทหารที่พวกเจ้ามองไม่เห็นแล้วลอทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอิจเจอุคุ ม, มินตุคุมวะมินอสลินุม เมื่อพวกเขายกทัพมาอย่างพวกเจ้าทั้งจากข้างบนของพวกเจ้าและจากข้างล่างของพวกเจ้าและเมื่อในตาได้เหลือกลานและหัวใจได้มาจุกอยู่ที่ลำคอและพวกเจ้านี้คิดต่างๆนาน า, นา หน้าที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดสอบและพวกเขาถูกทำให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงว่าทียะกลุวนาฟิกนั้และีนหฟีกจลูบิฮิมมรับมมาวัดนั้นองพะเาละู้เผยรอิลลามภูม และจงรำลึกถึงเมื่อพวกกลับกรอบและบรรดาผู้ที่วัดใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่าอัลลอ์และรอซูนของพระองค์ไม่ได้สัญญาแก่เราอย่างใดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้น وَيَسْتَأْذِنُ และจงระลึกถึงเมื่อกลุมหนึ่งจากพวกเขามูนาฟิกีนกล่าวว่าโอชาวยาสลีปเผย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 และถ้ามีการบุกรุกมายัางพวกเขาจากนอกเมืองและพวกเขาได้ถูกปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบแน่นอนพวกเขาจะกระทาทันที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 นอกจากเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูัมมัดว่าใครล่จะปกป้องพวกเจ้าให้จากอัลลอไปได้ หากพระองค์ทรงปร า, า, า, า, า, าปรถนาให้ความเสียหายแก่พวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเมตตาแก่พวกเจ้าและพวกเขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอ์เป็นผู้คุ้มครองและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่พวกเขาขอดียแอลมลลอห์ลมูอูอิกีนัมิลกุมวัลกไอลีนัลีอัควนิฮิมฮะลุมม์อิลีนั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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي ي غ ش ى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف س ل و ك ْ بألسنة حداد أشححة على الخير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 แต่เมื่อความกลัวได้ผ่านพ้นไปแล้วพวกเขาก็ได้พูดจาถากถานพวกเจ้าด้วยสำนวนที่เผ็ดร้อนเป็นคนตรนีในเรื่องทรัพย์สินชนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อล อ, ลออัลลอฮ์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไม่บังเกิดผลและนั่นเป็นเรื่องง่ายได้แก่อัลลอฮ์ พวกเขาคิดว่าบรรดาพักต่างๆเหล่านั้นยังไม่ได้ถอยกลับไป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 ลิมันกานยัซญุลลอฮวัลยามัลอาคิเราะวะซะกะรัลลอฮะกะซีเราะโดยแน่นอนสําหรับรอซูญของอัลลอนั้นมีแบบฉบับอันดีงามแก่พวกเจ้าแล้วสําหรับผู้หวังจะพบอัลลาะและวันพระโลกและรําลึกถึงอัลลาะอย่างมาก ل م ّ ا ر, أ ا ر, ر إ إ ا และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้เห็นพักต่างๆเหล่านั้นพวกเขากล่าวว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์ได้สัญญาไว้แก่เราและอัลละฮ์แล ะ, AH และรอซูลของพระองค์ ได้ตรัสไว้จริงแล้วและมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่พวกเขานอกจากการศรัทธาและการนอบนอ้อมมิใน المؤمنين رجال صدق ما عهد الله ม ل ي ه م فمنهم م ูวะมิน ب ุมมัน م م นต ت ظ ิร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 เพื่อลอจะได้ตอบแทนบรรดาผู้มีสัก์จากในความสัต์จริงของพวกเขาและจะส่งลงโทษพวกกลับกรอบหาปร่งส่งประสงค์ หรือจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอแล้วเราทรงให้พวกปฏิเสธศรัทธาถอยทับกลับไปด้วยความเครียดแค้น โดยที่พวกเขาไม่ได้ประสบความดีแต่อย่างใดและอโลรงให้ความพอเพียงแล้วแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบแล้วเราเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ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 แล้วลออเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งโอ้น บ, บีเอ๋ย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 และหากพวกเธอปรารถนาอัลลอฮ์และรสลของพระองค์และโลกอาคิระแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญอันมากมายแก่เหล่าสตรีผูกก้กระทำความดีในหมู่พวกเธอแล้วยานีแสนเบีมไม่เติมิน บบ อ, อบันดาพระยาของดับีเอย๋ยผู้ใดในหมู่พวกเธอนำความชั่วอย่างชัดแจ้งมาการลงโทษจะถูกเพิ่มให้แก่นางเป็นสองเท่าและปรากฏว่าดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอโล ا أ และผู้ใดในหมู่พวกเธอพักดีต่ออัลละฮ์และรสนของพระองค์และกระทำความดีเราจะให้ผลตอบแทนแก่นางเป็นสองเท่า แลวเราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามไว้ให้แกนางแล้วหญิสาอันบิลสตุนักหนึ่งในหญิสาวั่นตาังนครกดอะีาีมรและพนรู้จัอบันดาภริยาของดะบีเ อ, อ๋ย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 และจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้เผยความงามเช่นการเผยความงามแห่งยุกงม ง, งายก่อนๆและจงปฏิบัติละหมาด และจ่ายซะกาศและจงพักดีต่ออัลเละหและรอซูลของพระองคอัลเะเพียงแต่ต้องการที่จะให้าจัดความสกปรกออกไปจากพวกเจ้าโอ้ผู้ที่อยู่ในบ้านนาบีเ อ, อ๋ยและทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์วัซกุรนามายุตลาฟีบุยูติคุนมินอายาติลลาฮิวัลฮ ah ิกมะอินนัลลอฮะกาลละฏีฟันคะบีร่ และจงุงานสิ่งที่ได้ถูกอ่านอยู่ในบ้านเรียนของพวกเธอเช่นจากบรรดาองค์การของลอร์และคําสอนของท่านนาบีแท้จริงอัลลอร์นั้นส่งรอบรู้อย่างละเอียดอินนัลมุสลิมีนัวลมุสลิมัติวลมุเอมิ น, นีนัวลมุเอมินัติวลกาลีตีนัลกาลีตัติวล صاد ิกีนัวล صاد ิกัติวล صاب รีนัวซอบ ب รัต والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم. แท้จริงบรรดาผู้ศรมชายและหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิงบรรดาผู้พักดีชายและหญิงบรรดาผู้ศัตด์จริงชายและหญิง บรรดาผู้อดทนชายและหญิงบรรดาผู้สํารวมชายและหญิงบรรดาผู้บริจาคชายและหญิงบรรดาผู้ถือสินอดชายและหญิงบรรดาผู้รักษาอวัยวเพศของพวกเขาที่เป็นชายและเป็นหญิงบรรดาผู้ดำลึกถึงอลัลลอฮ์อยู่เสมอที่เป็นชายและหญิงนั้นอลัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาแล้ว